นะไม่เอาบอกคืนเราไปนั่งพุทธาพิเศษเราคงไม่ได้สอนกรรมฐานนะพระเสกเนี่ยเยอะพระสอนไม่ค่อยมีนะเราสอนดีกว่าไม่ได้ร้อนยังจะมีเรื่องควบคุมบัญชีการเงินของวัดอะไรอย่างนี้ ตรงนั้นอ่จจะเดือดร้อนอ่านคร่าวๆดูไม่รู้อ่านเข้าใจถูกหรือเข้าใจผิด น, นะหนังสือพิมพ์มันไม่ยาวอย่างวัดเก็บเงินไม่ได้ไม่เกินสามพันบาทบาดหรือสามพันบาทซื้อรองเท้ามาวางหน้าส้วมยังไม่พอเลยไม่ต้องทำงานแล้วอย่างนั้นนะกลัว ถ้าจะโงกงจนทั่งออกระเบียบเชิญทั่งทำงานไม่ได้มันจะแย่จะแย่หนักกว่า น, นั้นอีกนะบอกว่าเงินนี่ให้ไปปากสำนักพุทธเงินมันจะเหลือหรอ mm hmm. เดี๋ยวก็คิดว่าเงินถอน mm hmm. <c oughs> ให้ปากธนาคารยังกงยังชั่วหน เรื่องที่น่ากลัวอีกเรื่องนะไอ้พวกนี้มันือเป็นเรื่องอุปสรรคในการทำงานอย่างวัดเราเนี่ยค่าใช้จ่ายประหยัดมากเลยนะขนาดประหยัดมากๆเนี่ยค่าใช้จ่ายเดือนหนึ่งประมาณแสนห้าไม่ใช่น้อยๆหรอกก็ามาเก็บค่าไฟทีมบอกรอเดี๋ยวขับรถไป30กิโลวิ่งไปวิ่งมาเดี๋ยวไปเบิกเงินมาให้ค่าไฟนะมันคงตัดไฟเราก่อนนะ่ะ ทนไม่ไหว อ, ออกระเบียบให้มันนึกถึงว่าปฏิบัติได้จริงก็แล้วกันหรือกลัวพระโกงนะเอาทุกอย่างไปฝากไว้กับราชการพระก็กลัวราชการโกงเหมือนกันแหละมีนะมีครั้งหนึ่งเคยมีสำนักพุทธนี่แหละมาหาหลวงพ่อ บอกถ้าอาจารย์จะมาเรียอะไรเราแหละขอตังไปทำน้นนี้นะนันส่วนหนึ่งเราก็พยายามเสนอว่าวัดท่านอาจารย์ทำงานเผยแพร่เนี่ยเข้าข่ายสามารถขอเงินอุดหนุนได้นะอืมเงินอุดหนุนนี่ก็คือเงินทอนนั่นแหละแต่เขาไม่บอกเราว่าจะต้องทอนนะเขาบอกว่าเดี๋ยวไปทำโปรเจกต์เอาเงินมาให้ที่วัดนี้หลวงพ่อบอกไม่ต้อง หลวงพ่อทําของหลงพ่อเองได้ไม่ต้องเอาเงินภาษีราษฎรมาช่วยทำหรอกเธอไม่มาถ่ายก็บุญแล้วล่ะนี่บางทีก็คิดมากนะกลัวพระไม่ดีกลัววัดไม่ดีเลยนะอยากเอาข้าราชการเข้ามาปกครองวัดบ้างเอานักการเมืองท้องถิ่นมาปกครองวัดบ้างเพราะอิทธิพลท้องถิน่นยิ่ร้ายหนักเข้าไปอีกนะ วัดไหนตกอยู่ใต้อิทธิพลหน้าการเมืองท้องถิ่นนนมันเจ๊งเลยบางทีออก็บอกใบเลี่ยไรอะไรเนวัดไม่รู้เรื่องเลยเะ็แจกตามโรงงานวัดจะทำโน้นจะทำนี่ได้เงินมาเท่าไหร่ก็ไม่รู้นะมาให้วัดนิดหนึ่งื่อทีคิดระเบียบนะคิดมาจากอากาศไม่ได้รู้ว่าสังคมจริงๆเป็นยังไง อยากให้การบริหารวัดโปร่งใสให้เอาคนในท้องถิ่นเข้ามาดูแลคนท้องถิน่นขี้เล่าเมายา ย, ยิ่งกว่าคนในวัดอีกเดี๋ยวเขารอดูอไปได้แค่ไหนก็แค่นั้นยุ่งมากแล้วก็ปิดวัดเป็นวัดโกโลโกโศเปลี่ยนชื่อเลยนะที่อยุธยาก็มีอยู่วัดหนึ่งแล้ววัดโกโลโกโศรู้จักไหม อยู่ตรงข้ามข้ามกับ ว, วัดสแกร์รู้จักวัดสแกร์ไหมรู้เพราะว่าเล่นพับเครื่องไม่งั้นทำงานลำบากทำงานยากยาง ด, ดีตอนนี้หลวงพ่อมีโมนิทีแยกออกไปนะโมนิทีพิมพ์หนังสือให้อะไรให้โอ้โหช้าเข้าระบบ ข้าราชการระบบมัดต้องทำงบประมาณประจำปีด้วยนะปีนี้จะทำอะไรบ้างอะไรเงี้ยต้องเขียน ง, งบเขียนเลยอุตสาห์นีมาบวชนั้นก็หนีไอ้พวกนี้แหละตามเรามาอีกไอ้พวกเปเปอร์เบิร์ที่จริงแล้วปัญหามันไม่ได้เยอะเลย ใครทำผิดพระวินัยก็จัดการเถอะใครทำผิดกฎหมายก็จัดการเถอะนี่ต้องคิดระบบอะไรขึ้นมามากมายนะเพราะไม่สามารถปฏิบัติตามวินัยและกฎหมายได้จริงๆแล้วสิ่งที่ละเมิดพระวินัยนะมีเยอะแยะเลยเป็นระเบียบด้วยซ้ำใคยก็มีอย่างตามพระวินยนะัยเนี่ยพระบวชได้สิบรรษาเนะี่ยเป็นอุ ป, ปชาได้ของเราเป็นไม่ได้นะ ต้องให้ทางการ ส, สงตั้งท่านตั้งมาเขาอยู่ไปเรื่อยๆนะท่านชลาจะบวชทีนึงโอคยต้องนัดแล้วนัดอีกนะทีท่านป่วยท่านอะไรลำบากอันนี้มันก็ไม่ได้ตรงพระวินยัยถ้าพระวินัยเนี่ยพระสิพันสาเขเป็นอุปชาได้ถ้ามีความสามารถพอมันมีหลายเรื่องนะ เรื่องเงินเรื่อ ง, องทองตามพระวินัยก็มีอยู่แล้วพระาเก็บเงินไปเองไม่ได้แต่ว่าพระใช้เงินได้ไหมพระไม่ได้ใช้เงินอย่างพวกเราถวายเงินถวายใบ ป, ปรณาเป็นแค่บอกให้พระรู้ว่าเราเอาเงินไปฝากพยาวัชกรไว้แล้วถ้าพระต้องการอะไรที่จําเป็นไปบอกพยาวัชกรซื้อให้พระไม่ได้ซื้อเองเระบบของพระเป็นแบบนี้ ในกลัวพตามมีเงินไม่ดีพระไม่ดีพระไม่ดีคือพราผิดพระวินยัยเก็บเงินเองผิดพระวินัยอยู่แล้วหรือมีวั ย, ยวะจัก่อนเก็บให้แล้วยินดีว่านี่เงินเราอ น, นิบาลได้เก็บแล้วอยากได้อะไรสักอย่างหนึ่งไม่ใช่มือถือนะ มือถือไม่อยู่ในปัจจัยสี่เพราะงั้นถ้าพระมาขอไอ้มือถือไม่ต้องให้ต้องให้ไม่ใช่ปัจจัยสี่นี่ถ้าพระไปบอก ว, วายาวัจกรต้องการผ้าจีวรนหนึ่งชุดหนึ่งอย่าง ว, ญญาวายรายวัจกรวิ่งอยวไม่ให้พระไปทวงได้สามสี่ครั้งนะแล้วก็ไปยืนให้เข า, าได้เห็นหน้าได้อีกไม่กี่ครั้งร หลังจากนั้นพระต้องสละเงินนั้นถือว่าไม่ใช่ของเราแล้วหมดสิทธิ์เขาไม่ให้แล้วเนี่ยวิใ น, นเข้มข้อนอย่างนี้นะเงินพระท่านจะเลือกไประหยัดวัก่กนที่ว่าจะไม่โกงเราต้องเลือกว่าว่าเอาไปแล้วเนี่ยไม่ให้พระก็ได้ไม่ผิดผิดทางโลกผิดทางอะไรไปผิดศีลธรรม แต่ว่าพระไปทวงไม่ได้พระวิไหนนันะ้งดงามอยู่แล้วนะแล้วก็พอดีไม่ตึงไปไม่หย่อนไปตึงเกินไปพระจะอยู่ไม่ได้เยี่ยงวัดหลายแห่งนะพระบิณฑบาตไม่ได้ข้าวหรอกคนในหมู่บ้านพอเช้าขึ้นมานะรถรงงานเขามารับตัวไปหมดลนะ หมู่บ้านแทบจะร้างในพระไปบิฏฐาบด์นะมีแต่หมาพระจะกินอะไรอะ่ะพระอยู่ตรงนี้ไม่ไหวนะหาที่หนีไปอยู่ที่อื่นวัดรงวัดร้างอนะไเยอะแยะไปหมดที่เข้มงวดเกินไปก็อยู่ยากหย่อนเกินไปพระก็เสียอยู่ยากอีกนั้นถ้าดูให้มันตรงพระวินัยนะอยู่สบายอย่างพระหลวงพ่อเนี่ยอยู่สบาย เช้าขึ้นมาไปบิณฑบาตได้ข้าวมาเทรวมกันใครจะชอบอะไรจะยักยอกไว้กินเองไม่ได้เทรวมกันเมื่อก่อนเคยมีพระมาเล่าให้ฟังท่านเป็นลูกเศรษฐีอยู่เชียงใหม่ปวดอยู่กับครูบาอาจารย์วันหนึ่งอยากฉันข้เนเอวตัวดำนะเห็นโ้เงินเขาได้หมูอยากได้บ้าง ไม่เคยมีใครใส่บาตรเลยเขาเหนี่ยวอาถั่วดําเนี่ยปรากฏว่าอยู่มานานนะท่านก็อดทนวันหนึ่งมีคนใส่เห็นมีอยู่หลายถุงท่านก็เดินเข้าแถวรับพอมาจะมาถึงท่านหมดแล้วไม่ได้เนี่ยเห็นอยู่แล้วแต่ก็ไม่ได้วันหนึ่งได้มาใส่ในบาตรดีใจวันนี้ได้ข้าเหนียวถั่วดํา ถึงเวลาต้องมาเทอาหารรวมกันพระที่โตกว่านิยมข้าวเหนียวตัวดำเก็บไปหมดเลยแล้วบอกร้องไห้เลยนะตกกลงคืนเนี้ยร้องไห้สงสารตัวเองอเงี้ยเนี่ยพระดีๆนะต้องต่อสู้กับกิเลสหนักหนาสาหาัสเลยเรื่องเล็กๆน้อยๆแค่นี้ก็ถึงขนาดน้ำตาตกได้เนะงินพระแท้ๆนะกว่าจะผ่านศึกมาได้รอดมาได้ไม่ธรรมดาหรอก ต้องต่อสู้หนักนาสาหัสเลยนี่ไม่เหมือนพระนักวิ่งนะพระทุวันนี้ที่ใหญ่หญๆโตๆเนี่ยส่วนหนึ่งเป็นพรานักวิ่งวิ่งเก่งจ่ายสูงวิธีจ่ายก็คือมาไถ่พระระดับร่างเอาไปให้พระระดับบนแล้วก็ได้ตำแหน่งกันได้เป็นตำแหน่งอย่างง่นอย่างงี้พอเรื่องปูดออกมา ทำไงดีหนีเลยแล้วหนีคนก็ด่าพระเร็วอย่างนั้นพระเร็วอย่างนี้นพระที่จริงสนใจตำแหน่งอะไรเสื้อที่ไหนอะย่างมาตั้งหลวงพ่อเป็นพระครูอะไรอย่างนี้นนะไม่ได้ปลื้มหรอกะเป็นเจ้าคุณก็ไม่ปลื้มหรอกพอเราหนีออกมาจากโลกไปลาบยศสารเสริญพวกนั้นน่าเบื่อจะตายพวกก็ไม่เคยมีหรืออยากมี เรามีเจนเอียนะเีต ำ, ung, ตำแหน่งตำแหน่งอะไรต่ออะไรเราเห็นว่าไม่มีสาระถึงได้มาบวชเนี่ยพระนาถ้าภาวนาจะไม่วุ่นวายอย่างนั้นหรอกพระไม่ได้ภาวนายุ่งสู้กิเลสไม่ไหวโยมก็เห็นว่าพระไม่ดีจึกออกระเบียบ ม, มาคุมพระอางน บางทีคุมไปคุมมานะพระดีๆอยู่ไม่ได้พ้าไม่ดีก็ซิกแซกไปได้ช่วยๆกันดูหน่อยนะดูใช่เหตามกันไปเรื่อยๆออกกดอะไรต่ออะไรมากดจนพระอยู่ไม่ได้บางทิที่จริงไม่มายุ่งกับพระนะคระภาวนาของพระพราก็อยู่ของพระได้ นี่หลวงพ่อเผยแพร่าาศาสนาไปหลายประเทศแล้วนะไปเรื่อยๆตอนนี้กำลังแปลหนังสือเป็นภาษาสเปนภาษาสเปนมันจะไปทางอเมริกาใต้ภาษารัเสเซียมีแล้วภาษาจีนมีสซนสกฤตมีค่อยๆทำไปหวังว่ า, าศาสนาพุทธจะกระจายออกไป แต่กระจายยากพุทธเถรวาดเนี่ยมันเป็นหลักธรรมะล้วนๆคนที่จะเข้าถึงได้มีน้อยไม่เหมือนพุทธมหายาณไปได้ง่ายกว่าเราเยอะเลยหลวงพ่อไปเทศยุโรปไปเทศอเมริกานะชาวบ้านเห็นบางทีมันไหว้นะบอกโอ้ดารายลามะลามะก็ลามะวะ มันรู้จัก้าแบบนั้นนะมันรู้จักดารายลามาลนะอะไรเงี้ยดีเราไม่บอกอมิตตพุทธเนียทรวาสไปลำบากไปแล้วเราไม่สบายใจที่จะไปด้วยอย่างไปอยู่ยุโรปอเมริกาอะไรเนงะี้ยรักษาทวินัยยากที่สุดเลยยากมาก ในการที่รักษาพี่นัยให้เคล็ง ค, คลัดจะรักษาได้ก็ไปอยู่ในชุมชนคนไทยชุมชนเล็กๆก็อยู่กันแค่นั้น้ที่ศาสนาจะกระจายออกไปอะไรไม่ค่อยกระจายอรกบบูปชาหลวงพ่อท่านก็เล่าให้ฟังเนี่ยพระธรรมทูตนะอยากไปต่างประเทศจะได้ศึกาษาอังกฤษกันอยากได้ภาษาอังกฤษ อุตสาสอบธรรมทูตไปอยู่ต่างประเทศกลับมานี่นะภาษาอังกฤษเหมือนเดิมภาษาที่ดีขึ้นคือภาษาลาวสาเมนไม่มีแต่คนพวกนี้เขาวันนะได้อย่างเนี้ยภาษาไทยนคล่องแคล่วเหมือนเดิมธรรมะแท้ๆไปลาบากนะ เป็น <c oughs> เรื่องของคนที่ต้องใช้สติใช้ปัญญามากไม่ได้ใช้ใว่าอ้อนวอ น, อนประโพธิสัตว์ให้มาช่วยอะไรอย่างนั้นเข้าไปง่ายกว่าเราเพราะคนส่วนใหญ่ออนแอเราไม่รู้ว่าศาสนาพุทธจะหมดจากเมืองไทยเมื่อไหร่คนที่จะทำให้หมดก็คือชาพุทธนั่นแหละมุสลิมมาทำให้พุทธศาสนาหมดไปไม่ได้หรอก พระพุทธเจ้าบอกไว้แล้วคนที่ทำลายาศาสนาพุ้นได้ก็คือพุทธบริษัทนเองพุทธบริษัทห่วยแตกไม่เรียนไม่ศึกษาไม่เคารพทำวิเนศศาสนาก็สูญไปอย่างพวกเราอุตส่าห์มาตั้งใจฟังธรรมะนะเหมือนมีเทียนเล็กๆคนละเล่มช่วยกันจุดเทียนต่อไปอย่างน้อยตอนนี้ในห้องนี้สว่างสบาย ออกนอกวัดไปลงก็พัดเทียนดับไปเดี๋ยวปัจจุบันใหม่ก็แล้วกัน <c oughs> ใครคนหน้าหลวงพ่อแล้วเทียนดับบ้างยกมือได้มีไหมที่เหลือหลอกลวง <c oughs> ไม่ต้องว่าออกนอกวัดหรอกว่ากอหลวงพ่อกลับพระแล้วไปคุยกับพระอาการตุกตาทางนี้ก็เป็นนกกระจอกแตกหลังแล้วจบแี่ยอดแย้สติหายไปหมดแล้ว สติสำคัญที่สุดนะถ้าไม่มีสติจะไม่มีศีลถ้าไม่มีสติจะไม่มีสมาธิถ้าไม่มีสติจะไม่มีปัญญาสติจําเป็นในที่ทุกสถานในการทุกเมื่อสติตัวนี้ไม่ใช่สติธรรมดาถ้าเราไปดูในองค์มรรคเนี่ยสมารสติเนี่ยคือสติประธานสี่เป็นสติที่ระลึกรู้รูปรู้นาม ไม่ใช่สติอย่างโรกๆขับรถไม่ตกถนนอะไรเงี้ยไม่ไปชนคนแล้วบอกมีสติไรอย่เนั้นไม่ใช่สติทางธรรมะสติอย่างโรกๆสัมมาสติเนี่ยท่านอธิบายด้วยสติปัฏฐานสี่สัมมาสมาธิท่านอธิบายด้วยฌานสี่ฌานสี่นี่มันจะคลุมไปถึงฌานห้าหก็ดปดด้วยเพราะฌานห้าหเจ็ดปดรูปฌานเนี่ยมีองค์ฌานเท่ากับฌานสี่ มีอุเบกขาไปบเอกขตาก็ถือเป็นชานสีได้สัมมาวายามะนะก็เป็นความเพียรที่จะล้างกิเลสที่มีอยู่เพียรปิดกั้นกิเลสใหม่ไม่ให้เกิดเพียรทำกุศลให้เกิดเพียรทำกุศลที่เกิดแล้วให้เจริญงอกงามไพลบุญขึ้นนี่คือความเพียรคำว่าความเพียรไม่ใช่แปลว่านั่งสมาธินานเดินจงกรมโต้รุ่ง ไอ้อย่างนั้นไม่เรียกว่ามีความเพียร น, นะถ้าไม่ได้ต่อสู้กับกิเลสอย่าถ้าเดินชงกลมอยู่แล้วขี้เกียจอยากจะนอนรู้เท่าทันความขี้เกียจครอบงําใจไม่ได้นะกิเลสมาไม่ได้และ้ะกิเลสใหม่เกิดมกไม่ได้อย่เนี้ยเรียกว่ามีความเพียรหรือทํากุศลให้เจริญจิตใจมีศีลสมาธิมีปัญญาเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้น อันนี่ถึงจะเรียกว่ามีความเพียรลดด้านชั่วลงเพิ่มด้านดีขึ้นอะไรเงี้ยมันมีนิยามนะในองค์มรรคแต่ละตัวแต่ละตัวเนี่ยไม่ใช่แปลภาษาไทยแล้วก็รู้เรื่องนะสัมมายปายามะความเพียรชอบแปลว่าให้ขยันเดินอะไรเงี้ยมัได้แปลอย่างนั้นขยันเดินแต่ถูกกิเลสครอบงําอยู่ใช้ไม่ได้ขยันเดินแล้วก็ภูมิใจกูเกง่ง คนนอนขี้เกียจคนนี้ก็ขี้เกียจไปนอนหมดแล้วเหลือเราเดินอยู่คนเดียวอันนี้ไม่ได้สู้กิเลสอางนี้เดินตรงกลมสนองกิเลสเพรานันั่งสมาธิเดินจงกรมนะถ้าแพ้กิเลสแล้วก็เรียกว่าไม่ได้มีความเพียรถ้าเรามีสติอยู่กิเลสจะมาไม่ได้เนั้นบางทีครูบาอาจารย์สอนว่ามีสติคือมีความเพียรเพราะในขณะที่มีสติเนี่ย อกุศลที่มีอยู่จะดับอกุศลใหม่จะไม่เกิดอกุศลที่ยังไม่มีก็เกิดมีนะที่มีแล้วก็จเจริญงอกงามไพยบุ์ขึ้นเนี่ยด้วยความมีสติเะสติจำเป็นมากนะจะทำให้ได้ทั้งวิรยะสัมมาว า, ามะนะสัมมาวาจาสัมมากัมมันตสัมมาอชีวะอาศัยสติทั้งหมดถ้าไม่มีสติเดี๋ยววาจาก็ไม่ดีละพูดเพ้อเจอ พุทธ เ, เจายุคนี้รวมทั้งเล่นไลน์ด้วยนะเล่นไลน์ด้วยเมื่อวานชมพูมาบอกมีอะไรอีกอย่างนะอไออะไรนะไอซีไม่เคยรู้ไม่รู้จักไม่เคยได้ยินเลยแสดงว่าโบราณชมพูมาบอกหลวงพ่อเมื่อวานนี้นะว่าจะขยายงานธรรมะดัดคอม่ะตอนนี้ในเฟ e บุ๊ k ก็มีแล้วในในไในลน์สำหรับคนแก่ แล้วในอะไรกันจุดป่านนี้จำชื่อไม่ได้แล้วไอจีอนี้ไม่เคยได้ยินเลยเขาพูดหลวงพ่อสะเทือนใจนิดนึงไอจีเนี่ย <c oughs> ของของคนรุ่นใหม่แนววัยรุ่นอะไรเงี้ยเราโหเราไม่รู้จักเลยว่ะแสดงว่าโบราณ คนเผยแพ่ก็พยายามทำนะพยายามทางานหาทางทุกพิธีทางที่จะส่งทอดแสงเทียนอันนี้ออกไปให้กับคนจำนวนมากช่วยกันรับทอดธรรมะไป<ม>พวกเรามีภารกิจสำคัญนะแต่ละคนสู้กับกิเลสของตัวเองแล้วก็ส่งทอดธรรมะออกไปให้คนรุ่นต่อไปให้ได้ห<ม>น้าที่ของชาวพุทธคืออย่างนี้ ทำประโยชน์ตนเองทำประโยชน์ผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทไม่ประมาทคือทํำด้วยสติด้วยปัญญา จ, จริงๆอย่างอยากเผยแพร่แต่เพิ่มไปความดังอย่างนี้ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ชาวพุทธแต่อยากเผยแพร่ธรรมะเนี่ยด้วยความเมตตาการุณาอย่างนี้เป็นชาวพุทธค่อยฝึก น, นะหลวงพ่อไม่แน่ใจหรอกว่าศาสนาพุทธมัจะอยู่ในเมืองไทยนานแค่ไหน ครูบาอาจารย์เคยบอกไว้เหมือนกันต่อไปมันจะไม่อยู่ที่นี่รุ่นลูกหลานเราอยากจะเรียนธรรมะเนี่ยจะต้องไปเรียนภาษาจีนภาษารัเสเซียภาษาอะไรอย่างนั้นก่อนเพื่อจะไปเรียนธรรมะมันจะเหมือนที่คนจีนรุ่นเนี้ยมาเมืองไทยมาเรียนภาษาไทยก่อนถึงจะฟังหลวงพ่อรู้เรื่องมันลําบากกว่ากันเยอะนะเงินถ้ารักษาไว้ได้รักษาไว้ ลูกหลานเราข้างหน้าจะได้มีของดีถ้าไปส่งกันบ้านให้พวกอยู่วัดก่อนนมัสการค่ะหลวงพ่ออืมส่งการบ้านคราวที่แล้วหลวงพ่อบอกว่าจิตกระจายอยู่ข้างนอกไม่เข้าฐานค่ะอืตอนนี้หนูรู้สึกว่ามันดีขึ้นเหมือนยิ่ง น, น, น้อยลงค่ะใช่ดีขึ้นเปิดเผอีก ยังไม่เข้าบมดหรอกยังเข้ามาไม่หมดแต่ไม่ดึงน ะ, ะถ้าไปดึงจิตเข้าฐานนี่ยผิดทันทีเลยจิตจะอึดัดจิตมันเหมือนเด็กโดยธรรมชาติมันก็ต้องวิ่งสนออกไปข้างนอกบ้านอนะไรอย่างเงี้ยถ้าเราเอาโซ่ล่ามไว้นะเด็กก็อึดัดไม่มีความสุขเราก็ล่อเด็กด้วยขนมด้วยของที่เด็กชอบเด็กหาขนมมาให้เด็กไว้ในบ้านนะีเด็กมันไปเล่นแป๊บเดียวมันก็จะกลับมากินขนมลนะ ไม่อยอกไปเที่ยวไกลงั้นเราทำกรรมฐานเราสังเกตตัวเองว่าเราอยู่กับอารมณ์กรรมฐานอะไรแล้วจิตใจมีความสุขมีอยู่กับพุโทโธมีความสุขเราก็อยู่กับพุโทโธไปพุโทโธก็เป็นขนมอร่อยที่จะล่าเด็กคือจิตของเราให้กลับบ้านอยู่กับพุโทโธพุธโทโธจิตหนีไปแล้วแป๊บเดียวมันก็กลับมาหาพุโทโธแล้วฝึกเรื่อยๆใจมันไม่หนีไปไหนโดยที่มันมีความสุขอยู่ในตัวเองด้วย ไม่หนีไปพราะถูกล่ามโซ่อนี้ใช้ไม่ได้นะบางคนล่ามโซ่จิตมากเลยอย่างเดินจงกรมนะดูเท้ากระทบด้วยพุทธโธด้วยนะน้บด้วยโอ้ยเยอะแย ะ, ย ะ, ย ะ, ยะเลยเด็กไม่มีความสุขเลยเด็กคนนี้ถูกโซ่สามสี่เส้นมัดเอาไว้ไม่มีความสุขโซ่ที่ดีอยู่มีความสุขยอย่าให้มัดอย่างพวกผู้หญิงแต่ก่อนนะ เวลาเขาอยากได้ตัวผู้หญิงเขาไปฉุดเอาเอาโซ่ล่ามไว้ไม่ให้หนีบุญนะพวกเราไม่ต้องโดนฉุดอย่างนั้นละถ้าสมัยฟิลสตโตนเนี่เราเอาไม้ตีหัวแล้วก็ลากจิกหัวม า, า, าลำบากแต่มาก็พัฒนาขึ้นลดโซ่ตรวนลงกลายเป็นแหวนงั้นอย่าภูมิใจกับแหวนมั่นนะ นั่นคือสั ญ, ญลักษณ์ที่เหลืออยู่ของความเป็นธาตุนะงั้นเรารู้อย่างนี้แล้วเราซื้อแหวนไปให้ผู้ชายก็ได้ <laughs> สั ญ, ญลักษณ์ของความเป็นธาตุฝึกตัวเองนะสังเกตตัวเองอย่าบังคับจิตจนเครียดนะแต่ก็ไม่ใช่จิตปล่อยจิตให้เออระเหยไม่บังคับแต่ว่าไม่ได้ตามใจมัน สังเกตดูจิตจะมีความอยากเกิดขึ้นตลอดเวลาความอยากนั้นสมเหตุสมผลไหมถ้าสมเหตุสมผลก็ทาได้อย่างอยากกินข้าวเนี่ยอยากกินข้าวเพราะหิวไปกินข้าวซะง่วมอยากนอนเพราะว่าง่วมไปนอนซะถ้าตะกละแล้วอยากกินนี่เพื่อกิเลสไม่กินถ้าขี้เกียจนี่เป็นกิเลสแล้วอยากนอนไม่นอน งั้นเราวัดใจของเราไปเรื่อยมีสติสำรวจใจเราเรื่อยความอยากต่างๆเกิดขึ้นเนี่ยเพราะความจำเป็นทางร่างกายหรือทางจิตใจหรือว่าเป็นเพราะกิเลสทางจิตใจก็มีความจำเป็นบางอย่างเช่นเวลาจิตทำงานไปมากๆจิตเหน็ดเหนื่อยจิตต้องการพักเนี่ยเราก็พาจิตเข้าสมาธิพักผ่อนไม่ใช่ว่าห้ามตลอด อยากกินไม่กินอยากนอนไม่นอนนะสุดท้ายก็โรคจิตกำเริบนะอยู่ไม่รอดไปดูใจของตัวเองความอยากใดๆเกิดขึ้นนะเป็นกิเลสไหมหรือเป็นความจำเป็นของกายของใจจริงๆถ้ามีความจำเป็นเราก็จัดการนะทำได้ไม่ใช่ทำไม่ได้สักอย่างไปทำเอาไปฝึกเอาไปรู้ทันความอยากที่เกิดเนืองเนือง หนูดูความอยากได้ชัดนะไปดูเอาใช่ไหม<ช>เห็นหน้าแล้วรู้เราทาไมรู้มีปฏิหารเหรอคนที่เป็นครูเนี่ยนะเห็นหน้าเด็กนักเรีย น, นรู้ไส้นะนี่แหละวิญญาณของครูอย่ามาขอป่วยนะบอกมีวิญญาณครูแกล่าวขอบพระคุณค่ะอา้าวป้ายสงกันบ้าน หนูเพิ่มบริกรรมมาค่ะหลวงพ่ อ, อคิดว่าดีก็ดีขึ้น อ, <c oughs> อยู่กับพุทธโธไปอยู่กับพุทธโธพุทธโธพุทโธไปแล้วพัดใจเรานีแล้วเรารู้หรือพุทธโธไปใจสุข ก, ก็รู้ใจทุกข์ก็รู้ใจดีก็รู้ใจชั่วก็รู้พุทธโธเรา ร, รู้ทันใจไปเรื่อยๆทำที่สุดแห่งทุกข์ได้นะด้วยวิธีการง่ายๆแค่นี้แหละค่ะหลวงพ่อ หลวงตามหาบัวเคยบอกหลวงพ่อว่าสำคัญนะตรงนี้เราผ่านมาด้วยตัวของเราเองอะไรๆสู้บริกรรมไม่ได้หรอกนั่นทำตั้งแต่ต้นจนจบเลยบริกรรมพวกเรียนอภิธรรมบอกว่าหลวงตา บ, บัวสอนผิดแล้วพุทโธพุทโธไม่เป็นอารมณ์บัญญัติไม่ใช่อารมณ์รูปนามงั้นจะมาพุทโธพุทโธจะเป็นโสดาจตันญาผะรหันนี่เป็นไปไม่ได้ อันนั้นเขไม่รู้จักพุโทโธคําว่าพุโทโธแปว่าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานที่จิตของเราสหากละ่ะที่ท่านพุโทโธก็เพื่อจะรู้ท่านจิตตัวเองพุโทโธพุธโทโธไปจิตขี้เกียจโวนาแล้วรู้ว่าขี้เกียจพุโทโธไปจิตฟุ้งซ่านรู้ว่าฟุ้งซ่านดังั้นพุโทโธไปก็เจริญสติเจริญปัญญารู้ทันความเปลี่ยนแปลงของจิตไปเรื่อยๆงั้นถ้าพวกเราไปดูคําสอนของครูบาอาจารย์ให้ดีนะ เราจะพบว่าจริงๆแล้วท่านสอนการเจริญสติสอนการรู้เท่าทันจิตตัวเองเลงมาที่นี่ทุกองค์เลยไม่ว่าองค์ไหนหลวงปู่รวยหลวงปู่ชอบหลวงตาบัว เ, เหมือนกันหมดเลยหลวงปู่สิมหลวงปู่ดุลลงมาที่จิตนี้ทั้งหมดแหละนี่แต่เบื้องต้นท่านจะสอนพุโทโธพิจารณกายนีบางทีพระรุ่นหลังเนี่ยไม่เคยได้ยินเรื่องจิต เพราะว่าเรียนไปไม่ถึงนะท่านก็ไม่ได้สอนให้ก็เลยคิดว่าท่านสอนอยู่แค่เรื่องกายที่จริงไม่ใช่หรอกหลังๆนี้หลวงพ่อพูดเรื่องจิตมากนคนก็เริ่มไปขุดคุยธรรมะที่ครูบาอาจารย์สอนนะมันอันเดียวกันแล้วแหละอันเดียวกันกับที่หลวงพ่อสอนแล้วแหละเพราะหลวงพ่อก็เรียนมาจากครูบาอาจารย์เรื่องจิตเรื่องใจพูดเหมือนกันทุกองได้จิตคือได้ธรรมเสียจิตคือเสียธรรมอะไรเงี้ยนะ เราปู่มันก็สอนจิตน้ะใจเป็นดวงวิเศษเป็นของวิเศษอะไรเงี้ยหรือท่านเดินจงกรมท่านพุทโธพุทโธอยู่ <c oughs> ชาวเขาไม่เห็นถามว่าท่านเดินหาอะไรจะช่วยหาให้เห็นเดินหามาหลายวันแนละ้วเดินมองพื้นไปเรื่อยๆนึกว่าของท่านหายอ็เพ่ยมาบะมาถามท่านว่าจะให้ช่วยหาไหมอะไรหายท่านบอกพุทโธหาย ทำไงจะหาพุโทโธได้บอไปบริกรรมพุโทโธพุธโทโธทำอะไรก็พุโทโธไปพวกนี้มันมีบุญพุโทโธพุธโทโธแล้วมันเห็นจิตตัวเองขึ้นมาพาะพุโทโธนั่นแหละคือจิตพุโทโธไม่ใช่คือสิ่งอื่นพุโทโธก็คือผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานสิ่งที่เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานก็คือจิตนั่นเอง mm. งั้นอย่างหลวงพ่อเจอครูบาอาจารย์หลไม่เคยกลัวเสวงเลย เข้าไปหาเข้าไปกลับไปสนทนาธรรมอะไรเนี่ยไปศึกษาเนะี่ยองอาจกล้าหารเราศึกษาเรื่องจิตมาอย่างแจ่มแจ้งให้เข้าไปหาไม่กลัวเลยลงมาที่เดียวกันหมดงั้นเรียนให้เข้าให้ถึงจิตถึงใจนะหลวงปเทศบอกปฏิบัติแล้วไม่ถึงจิตถึงใจยังไม่ได้สาราแก่นสารคุณแม่จันดีไปถามหลวงพ่อว่าถ้าจารย์ภาวนายังไง จิตมาลงที่เดียวกับท่านจิตเหมือนกันหลว ง, งพ่อบอกหลวงพ่อเริ่มเจะหายใจหายใจไปจิตสงบมันกลายเป็นแสงสว่างเรารู้อยู่ตรงนี้แล้วจิตเคลื่อนเรารู้จิตเคลื่อนเรารู้ท่านบอกถ้่างนั้นมันอันเดียวกันแต่ท่านไม่ได้ดูลมท่านใช้พุทโธพุทโธแล้วกาหนดจิตแล้วนะพุทโธพุทโธจิตเคลื่อนเรารู้จิตเคลื่อนเรารู้แม้เคลื่มันอยู่ที่จิตเคลื่อนเรารู้ ในสุดสมาธิท่านก็เด่นดวงขึ้นมาแล้วก็เจริญปัญญาท่านเจริญปัญญาเริ่มจากกายหลวงพ่อเจริญปัญญาเริ่มจากจิตจะเริ่มจากกายหรือเวทนาหรือจิตหรือธรรมได้ทั้งสิ้นสติปัฏฐานเป็นประตูเมืองสี่ทิศเข้าทิศไหนก็เ ข, เข้าเมืองได้ถึงพระนิพพานได้ทั้งนั้นแล้วแต่จริตนใี่ใสอย่างหลวงพ่อไปดูกายแล้วรู้สึกจืด มันไม่กว้างขวางรู้สึกนั้นอึดอนนัรู้สึกคับแคบมาดูจิตไล้รู้สึกกว้างขวางเหมือนออกทะเลใหญ่ได้นั่นอยู่ที่ฉริตให้ใสแต่สุดท้ายทุกองลงที่จิตไม่ผ่านที่จิตไม่ไม่จบหรอกอ่ะต่อไปก็หนูก็เหมาะกับอันนี้แล้วเหมอททำไมหมอรู้ไหมหนูเป็นคนคิดมาก พวกคิดมากพวกทิฏฐิจริตกรรมฐานที่เหมาะคือจิตตาลูกปัสนาสติปฐานเ<ม>นี่ยในอภิธรรมก็มีนะเขาก็บอกไว้ชัดๆแต่คนเรียนอภิธรรมก็พลิกตำราไม่ถูกเหมือนกันเวลาลงมือทำจงก็ทำไม่ถูกเหมือน<ม>อ้าวต่อไปให้คนอายุทยา<ม>คนบ้าน<ม>อยู่ใกล้ ว, นนวัดตัวลงวงปูโสม เ, เวลาทำรูปแบบอะค่ะมันยังมีตัว จงใจมันมีตัวโลภะเจตนาอยูอ่จงใจไปก่อนโลภไปก่อนเรารู้เอาถ้าเริ่มต้นแบบไม่มีโลภนําเลยนะมันขี้เกียจทํา้ำโลภไปก่อนแล้วค่อยละทีหลังมไม่งั้นจะไม่ยอมปฏิบัติแต่ก็ยังไม่เป็นกลางนะคะเห็นเพ้นเป็นพักๆว่ามันมีตัวโลภะตัวนี้นยนอยู่ ที่ปฏิบัติก็เพื่อจะรู้ทันกิเลสนั่นแหล ะ, ะไปฝึกอีกไปสุยมลดีกว่าเมื่อวานดูออกไหมดูออกค่ะใจเราก็มีกำลังขึ้นมาฮ ะ, ะเวลามีกำลังขึ้นมาความทุกข์มันก็ห่างออกไปโลกมันห่างรู้สึกไหมโลกมันห่างรู้สึกค่ะ ถ้าโลกมันห่างนะความทุกข์มันก็ห่างไปด้วยตัวโลกลตัวรูปตัวนามนั่นเรียก่โลก ต, ตัวโลกมันคือตัวทุกข์เราฝึกจนใจเราพ้นจากโลกนะแต่ไม่ได้พ้นแบบไปตึงจิตไว้ต่หากไอ้นั้นพ้นแบบปลอมๆยังไม่พ้นจริงไอ้ตึงออกมาเนี่ยเป็นโลกอีกโลกหนึ่งเป็นโลกของปลอมหนูต้องเพิ่มอะไรไหมครับหลวงพ่อทำไ้ๆแล้วก็จะเห็นว่าเจริญแล้วก็เสืมอะ จนถึงจิตยอมรับว่าเจริญจะเสื่อมเป็นธรรมดาเป็นของคู่กันแต่ไปเจริญก็ไม่ดีใจเสื่อมก็ไม่เสียใจใจไม่กระเพื่อมไม่กระเพื่อมขึ้นกรเพิ่มลงมีความสุขไม่ส่งเลยหรออือเอาซะหน่อยนะเห็นกิเล่อยไหมพ้นใบกว่าอยู่ที่บ้าน พอไปอยู่ที่บ้านใช่ไหมอยู่ที่บ้านมันเพลินมันเพลินเลินมันก็ยาวะอยู่ที่วัดมันต้องคอยรู้สึกตัวไงเผลอนิดหนึ่งยุงก็กัดถ้าเพลอมากหน่อยถ้าเพลินนิดนึงยุงกัดถ้าเพลินมากหน่อยงู ก, กัด <c oughs> <c oughs> ต้องระวังมีสติจะทําอะไรก็ต้องรู้สึกอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> ดีคนใช้ได้นะจิตมีพลังมากขึ้นดี หัดดูไปเรื่อยๆหัดรู้ทางกิเลสเรื่อยๆแล้วมันดีขึ้นต่อไปใครจำเป็นถ้าไม่จำเป็นจะเทศธรรมะอันลึกล้ำต่อไปไม่มีคนส่งกันบ้านอุตสหามีกับเขาจนได้อยู่สิพอมีตัวอย่างคนหนึ่งนะยกเป็นใหญ่เบอร์เเบอร์2เบอร์5เบอร์สมี4คนแถมเบอร์1อีก เดี๋ยวตีตายเลยยกช้าเ <c oughs> บิร์เก้าขอความเมตตาหลวงพ่อช่วยดูว่าจิตที่เดินอยู่นี่ยอยู่ในร่องในรอยแล้วก็ก้าวหน้าขึ้นหรือเปล่าคะ่ะไปดูเองสิให้หลวงพ่อดูให้จะได้อะไรเราว่าไง ดีขึ้นดีขึ้นก็ถูกแล้วนี่เ้าไปดูอีกสังเกตไหมว่าขันมันแยกมันแยกโดยเราไม่ได้เจตนาจะแยกขันมันแยกได้แล้วสังเกตไหมขันแต่ละขันมันทางานได้อีกเราเห็นมันทำงานแล้วรู้สึกไหมว่ามันเปลี่ยนแปลงตลอดทุกๆขันไม่คงที่นี่ดูอย่างนี้ไปเรื่อยๆ สังเกตดูกระทั่งจิตที่เป็นผู้รู้ก็ไม่คงที่ของคุณน่ะได้เห็นแล้วล่ะว่าจิตผู้รู้ไม่คงที่ทำไมเห็นว่าจิตผู้รู้ไม่คงที่ได้เพราะไม่ได้รักษาจิตผู้รู้ไว้ถ้าเรารักษาจิตผู้รู้ไว้เราจะรู้สึกว่าจิตผู้รู้คงที่ตรงนั้นเป็นมิจฉาทิฏฐิเห็นไหมจิตเดี๋ยวก็เป็นผู้คิดเดี๋ยวก็เป็นผู้รู้เดี๋ยวก็เป็นผู้เพ่งเห็นไหมนั่นแหละจิตผู้รู้ก็ไม่คงที่ ไปดูนะในขันทั้งห้าเนี่ยไม่มีอะไรคงที่สั้อย่างเดียวเลยมีแต่ความเปลี่ยนแปลงนั่นแหละการปฏิบัติละไปทำอีกเบอร์สองับนะวัสการหลวงพ่อครับถ้าสมมติว่าดูจิตในชีวิตประจำวันอยู่ครับแล้วสมมติเราเห็นผู้รู้แยบมาจากจิตเห็นผู้รู้ไปคิดไปรับอารมณ์ ไปทางานโดยมีตัวเราหรือว่าจิตเราเนี่ยไม่แน่ใจว่าเป็นอะไรมองดูตัวผู้รู้อยู่กับสิ่งที่ถูกรู้อยู่มผมมีคำถามสั้นๆสี่คำถามหนึ่งคือตัวที่ดูผู้รู้ใช่ตัวเราไหมครับไม่ใช่ตัวเราไม่มีตัวร<อ>เราเป็นแค่ความรู้สึกที่จิตปรุงขึ้นกนะันเป็นสัญญาหมายรู้ผิดเป็นความวิปลาสคลาดเคลื่อนของจิตที่คิดผิดว่ามี แล้วก็เป็นความเห็นที่ผิดที่ผิดว่ามันมีนั้นจริงๆตัวตนไม่มีหรอกมันก็คือจิตดวงหนึ่งไปรู้จิตอีกดวงหนึ่งเกิดทีละดวงนะแล้วจิตตัวที่ดูผู้รู้อยู่นี่ใช่ตัวตัวผู้รู้กลายเป็นตัวถูกรู้แล้วในขณะนั้นเสียสถานะผู้รู้ไปแล้วเหมืนผู้รู้มีฟั้งลวตัวเดียวเกิดผู้รู้ตัวใหม่ผู้รู้ตัวเก่าหมดสภาพความเป็นผู้รู้ไปแล้ว เพราะฉะนั้นจิตเองก็เกิดดบอยู่ตลอดเวลาถ้าถ้าอย่างนั้นถ้าในสภาวะธรรมแบบนี้ครับถ้าเราถ้าจิตมันตีความว่าตัวผู้รู้เนี่ยไม่ใช่ตัวเราอันนี้จะถูกต้องถูกต้องแต่ว่ามันเป็นระดับปัญญานี่ไม่ใช่โลกุตระปัญญาในอริยมรรคยังไม่ได้เห็นจริงต้องดูอีก แล้วเราควรจะเห็นสภาวะที่มันแยกอย่างนี้ออกไปบ่อยๆไหมครับเราเห็นเท่าที่เห็นได้ถึงจยงบอกว่าควรเห็นตลอดเวลามันก็เห็นไ ม, ไม่ได้ไไดใช่ไหมไม่ได้ไม่ได้หรอกเนี่ยเรียนรู้มันไปเรื่อยๆเพื่อจะรู้ความจริงว่าไม่มีอะไรสักอย่างเดียวเป็นตัวเราไม่มีอะไรสักอย่างเดียวที่บังคับได้อย่างแท้จริงแล้วก็มีแต่ของที่ไม่เที่ยงมีแต่ของที่ทนอยู่ในสภาวะในสวะหนึ่งไม่ได้ มีแต่ของที่เป็นไป ต, ตามเหตุไม่ใช่ตามสั่งเรียนเพื่อให้เห็นความจริงเหล่านี้แหละพอจิตเข้าถึงความจริงจิตก็ไม่ทุกข์แล้วล่ะจิตจะวางขอบคุณครับเบอร์หนึ่ง นุ่มใส่แว่นที่เพิ่งส่งกันบ้านเสร็จเน่ยใจลอยแล้วะรู้สึกไหมนะงั้นจิตต้องมีเครื่องอยู่นะอยู่กับลมหายใจอยู่กับพุทโธอยู่กับยิรยาบทอะไรก็ไดนะ้แต่ว่าใจมันหนีไปมันจะได้ไม่หนีนานเบอร์นหนึ่งว่าไปนำ้ำมัสการครับหลวงพอ่อครับครั้งที่แล้วมันหย่อนยานลงครับแล้วก็หลวงพ่อบอกให้ตึงนิ ด, นด ก็ไปใส่ใจที่จะรู้ขึ้นครับอตอนนี้ก็ดีขึ้นแล้วก็รู้สึ ก, กเป็นครับเป็นกลางมากขึ้นรู้สึกมีแรงนาเพิ่มใช่ตัวภาวนาแล้วป้าแปรไม่มีแรงนะใช่ไม่ได้หรอกแรงนี้เกิดจากพลังห้าอย่างนะศรัทธาตั้งมั่นมากขึ้นวิริยะขยันขันแก่งขึ้นมีสติได้ทีทีมีสติมีสมาธิมีใจตั้งมั่นได้มากขึ้น มีปัญญาเห็นรูปนามแยกออกไปแล้วรูปนามทํางานไปเรื่อยๆได้บ่อยขึ้นนจิตจะมีพลังอันนี้ขึ้นมาเป็นพลังรวมนะเราจะรู้สึกว่ามันมีแรงเวลาที่อริยมรรคแต่ละครั้งจะเกิดเนจิตจะรวมพลังอนี้รวมไปจนเต็มที่เลยนะสําหรับการตัดกิเลสในชั้นนั้น ร, ร, รู้สึกเมื่อเชา้านิ่งสงบขึ้นแล้วก็เลยรู้สึกว่าที่ผ่านมา สงสารมาเมืม่อเช้าหลวงพ่อเจตนาสอนเรื่องเมตตาเรื่องอะไรก็พวกเราฟังเนี่ยใจแล้วอ่อนลงใจมก็เข้าสู่ความสงบนี่พอใจสงบแล้วเนี่ยล้วก็จะเดินปัญญาต่อดูท่าดูขันทำงา น, นไปฝึกไปออขอถวายการปฏิบัติหลวงพ่อครับหลังๆมาไม่ไม่ได้เห็นอะไรแป ล, ปลกๆใหม่ๆไม่จาเป็นอะไรแต่ของเก่าๆนี่แหละ หลวงปู่เทศบอกท ร, ร ม, มากของเก่ามีแต่ของใหม่ๆก็บือหวาไปเรื่อยขอบหงพ่อถ้ า, ขาแข่งแข่งแรงครับ อ, อนุโมทนานะกำลังเป็นงูสวัดอยู่เนี่ยเ <c oughs> บอร์ห้าพักไม่พอพักไม่พอแล้วภูมิต้านทานมันต่ำเลเบอร์ห้าอยู่ไหนแล้วเบอร์สี่อยู่ที่ไหนเบอร์ห้าก่อน ธรรสก า, การเข้าหลวงพอ่อคือว่าผมฝึกปฏิบัติมาสักพักหนึ่งแต่ว่าแบบมันยังไม่ค่อยรู้สึกเหมือนกับว่าเห็นการเปลี่ยนแปลงอะไรเท่าไหร่ไม่รู้ว่าที่ฝึกมามันผิดหรือถูกยังไงบ้างไม่ผิดหรอกนะอะเริ่มต้นได้ดีอยู่ก็ฝึกไปเร<ช>ื่อยๆคอยรู้ทันกิเลสอะไรเกิดขึ้นเคยรู้ทันไปเรื่อยๆนะครับไม่ใช่ฝึกแล้วไปห้ามมันกิเลสเกิดแล้วรู้กิเลสเกิดแล้วรู้ฝึกอยู่แค่นี้ก็พอแล้ว แล้วขอถามอีกนิดนึงครับก็คือในชีวิตประจำวันนี่คือผมจะมีแบบนั่งสมาธิแต่ถ้าเกิดระหว่างวันที่แบบไม่ได้นั่งสมาธินี่คือก็คือใช้พุโทโธเหมือนเดิมได้ตลอดใช่ไหมครับได้ได้ตลอดแต่พุโทโธไม่ใช่เพื่อให้ใจนิ่งของคุณนะตอนใช้ทําสมาธินะีแล้วพอออกจากสมาธิจิตมันยังติดความนิ่งมานิดหน่อยนะอย่าให้มันค้างอยู่ครับนะ่นเดี๋ยวใจมันซึม ข อ, ขอบคุณครับเนื่ยออกมาจิตถอยออกแบบสมาธินะจิตเป็นปกติเลยสงบแต่ว่าเป็นปกติรู้เนื้อรู้ตัวทำงานได้คล่องแคล่วไม่ใช่นิ่งๆซึมๆอยู่ทั้งวันนะอย่างนั้นไม่ดีแล้วเราพุโทโธไปแล้วเราคอรู้ทันจิตไปพุโทโธพุโทโธจิตเกิดกิเลสอะไรก็รู้เอาอย่างนั้นดีมากพอเรารู้ทันกิเลสก็ตับ กิเลสดับจิตก็ทรงสมาธิพักผ่อนอยู่อีกช่วงหนึ่งเดี๋ยวพอกระทบอารมณ์ใหม่ก็เกิดกิเลสใหม่เราก็รู้เอาอีกนะแต่ไม่ได้ปฏิบัติเพื่อจะเอาสมาธิอะไรนะสมาธิมันเป็นเองนะเบอร์สี่กลับนมัส ก, การค่ะหลวงพ่ออยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ที่นค่ะมาว่าไปยืนพูดเลยค่ะ คือหนูเพิ่งมาวัดเป็นครั้งแรกนะคะแล้วก็ปฏิบัติมาประมาณปีกว่าๆจากคลิปใน YouTube นะคะทีนี้หนูอยากจะขอคําแนะนําคือเกิดสภาวะที่ว่าระหว่างที่เดินในชีวิตประจําวันเนี่ยหนูใช้นิ้วถูกันแล้วมีอยู่วันหนึ่งเนี่ยคือตัวมันหายวับไปทั้งตัวในขณะที่เดินอยู่อย่างเงี้ยค่ะก็เลยทําให้ตกใจแล้วก็ไม่กล้าที่จะ ปฏิบัติต่อปพราะกว่าจะเกิดอุบัติเหตุก็ถูกแล้วอ่ะทำไม <c oughs> จะไปทําอยู่ข้างถนนอ่ะเร <c oughs> ่องนี้คือควรจะต้องในระหว่างชีวิตประจําวันนี้ควรจะต้องทําแบบไหนค่ะเฮ้ที่ถูตัวอย่างเนี้ยเป็นสมนถานะพอเป็นสมนถามากๆจิตรวมเป็นโลกนี้หายไปเลยเหลือแต่ใจดวงเดียวอย่านี้ถ้าอยู่ข้างถนนอะไรอย่างนี้อันตรายถูกรถทับเนี่ยนะตายไปอยู่ฟรอมโลกเลย แล้วเป็นรลมซึ่งไม่มีตาไม่มีหูไม่มีจมกูกไม่มีลิ้นไม่มีกายด้วยว้าวิแยกเลยค่ะแล้วก็เมื่ออยู่ในชีวิตประจำํำวันเนี่ยเจริญสติอันนั้นเจริญสมาธิไปทําสมาธิเยอะไปเจริญสติเนั่นก็คือค่อยรู้ความเคลื่อนไหวของกายค่อยรู้ความเคลื่อนไหวของใจ รู้ไปตามธรรมดาไม่ให้จิตรวมวูบลงไปหายอย่างนั้นไม่เอา อ, อันตรายมันผิดที่ผิดทางนั้นอย่างยืนขนาดนี้รู้สึกไห้ยืนอยู่ขนาดนี้พยักหน้ารู้สึกไหมขนาดนี้เพ่งจิตอยู่รู้สึกไหมจิตแน่นแน่แ น, นรู้ทันไปอย่างนี้รู้อย่างนี้เรียกว่าปฏิบัติในชีวิตจริงๆนะอยู่ในชีวิตธรรมดาอย่างนี้ไม่ได้น้อมจิตเข้าหาสมถะ ขยับนิ้วเนี่ยเป็นสมถะนะอยู่จิตอยู่ในอารมณ์มันเดียวเป็นนิ้วนี้ขยับขยับจิตก็รวมไปค่ะแล้วก็เมื่อสัปดาห์ที่แล้วค่ะคือมีความกังวลใจหลายๆเรื่องก็เลยพยายามเจริญสตินะคะแต่ก็ยังคิดวนซ้ำไปซ้ำมามทีนี้ก็คือมาเปิดคลิปของหลวงพ่อฟังไปด้วยในระหว่างเจริญสติพอได้ยินคำที่ว่า ร่างกายทุกข์ไม่ใช่เราทุกข์นะคะตรงนั้นเนี่ยก็คือจิตมันก็เหมือนกันบันติดตัวขึ้นมาจากความทุกข์ที่ปกคลุมอยู่ะะแล้วทําให้มันหลุดออกมาจากความจิตใ<บ> น, นเกิด <ใจ S 1> ป, ปัญญาปัญญาทําหน้าที่ตัดตัดสิ่งที่ห่อพุ่มจิตอยู่ก็หลุดออกไปขึ้นมาได้ชั่วคราวก็ยังเป็นปัญญาธรรมดาอยู่ไม่ใช่โลกุตรปัญญา ฝึกเรื่อยๆไปเดี๋ยวเราควตาปัญญาขึ้นมาล้างกิเลสแล้วกิเลสจะไม่กลับมาอีกแล้วดีูฝ<อ>ึกอย่างนี้ก็ใช้ได้มีข้อชี้แนะหรือข้อแนะนําอย่างอื่นไหมคะทาไปเรื่อยๆนะสม่ําเสมอ น, น, นะถึงเวลาควรทําความสงบก็ทําความสงบอย่างขยับนิ้วเนี่ยทําความสงบไม่ต้องคิดว่าจะสงบหรือไม่สงบขยับเรื่อยๆเนี่ยจิตก็สงบเองนะแล้วก็ ถึงเวลาจะเจริญวิปัสนาดูรูปนามทํางานก็ทํำก็รู้ไปทําไปอย่างนี้เรื่อยๆการปฏิบัติจะรับรื่นไม่แห้งแรงถ้าเราไม่ทําสมาธิเลยใจจะแห้งแรงกับขอบคุณหลวงพ่อหนูทิ้งสมาธิไม่ได้หรอกเพราะว่าพื้นจิตหนูฟุง้งซ่าน <S <S> <S นะงั้นหนูต้องมีสมาธิต้องทําแต่ว่าเลือกที่ทําให้มันดีหน่อยไม่ทําข้าวถนน การค่ะเฉยๆกลับบ้านแต่